ถ้าเกันซอมมือเนี่นะซ่อมมือว่าซีดคงข้อแของข้นแข็งข้นเกิดมากึ้อจังหับ่แหลวเหลือบ่แหลวเหียแหลวงานจะเกลือเนี่ยเหมือนมีแนวเห็ดอยมัดอ่อยูู่มือคือเว้นบ่แหลวบ่แหลวจกเกลือเป็นอย่างมันจังบ่แหลว เพราะว่าทุกจริงทุกอย่างมันมันบร่คือเกามันเท่มันเท่ไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเข้าก็เลยสองเหตุหนึ่งเหตุมีมีเหยียบมีงานอยู่สู้มือสู้เนเมื่อไงไงว่ากินเข่าอยู่ดอกไปกินเข่านี่มือว่านแกกินแล้วเดีมือก้อนกกกินแล้วอาหารข้นมืเต่าก็กินแล้วสองเล่นกันจะแล้วมืแรงก็กินแล้ว เนี่ยมันบบแล้วจักเกือยหอนว่ามันห้างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยนะต่อมาขนมาเติมไปสู่กันอยู่กันกันน่ะมันก็ดิห้างเข้าก็ดิเอาไว้ใช้สู่กันอยู่สู่ไปสู่มาสู่นันก็ได้หรอกมันเ่าห้างไปแค่มี้รังสายเนี่อื่นกะได้ฮ็้เสื่อมเลยคือคนเขามาก่อสั่ง เท้สังเกตหลวบพอวกเขามาคอสงอาข่านอาข่านอันนีตั้แตที่มหาศีลหลวงปู่เป้าเฮ็ดแระจนด้เฮ็ดปบปปุ๊ปัเป้าแล้วเป่าเฮ็ดวางอันเฮ็ดวางหันเลยเป้าไปเฮ็ดบางนีบ่แล้วเดอเถอะันแล้วนี่จะต้องมีงานทายุ่งเด้อเนี่ยขันแล้วหลังเนี้มีงานทายุ่งเด้อแต่เมี่อันทายายหันแล้วก็แล้วจากนันกไปเฮ็ดไสห เทศต่อไปยูฮาน่ะบอมีเต้าเด้ยผู้ที่ทำธุรกิจต่างๆคันสเตมีงานอันเดียวแล้วก็เศ้าแล้วก็เศ้าเมย์ค้นสี่หนึ่งมีอีงานหนึ่งเสรอยู่ก็ได้ธรรมศาสตร์มันจาเป็นต้องให้ดินให้ดินให้ห้อนมันไปเรื่อยบริยูเด้เศ้าเอา ต้องแล้วหน้านนี้แน่เสโหลดวางงานไดต่อไปแล้วงานนั้นเฮ็ดงานไดต่อไปแน่ไปเรื่อยเข้าใจนะมันต้องบริหาร <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างก้อ บ, บริหารไม่ว่าในขณะที่เฮ็ดงานต่งางๆหรือระเบียบต่งางๆหรือมีกิจกรรมต่างๆให้ทำนี้หลักด้วยกล <c oughs> ับไปขึ้นเขหาห้างล่ะกับวอยู่ซีซีขึ้นเขาห่ะ <necessary. S 2> แต่ว่าให้เขามีหล an ับรับของเขาก็เพื่อไว้เหตดอันใดมันบาบาสนั่นแหละในพญาย่างเห็ดอันไดเบาบาสนั่นปีคิดแต่คิดอันนี้มันเบาบาสนี่ยบาบาเนี่เบาบาสเบาเนี่ยบาบาสนั่นแหละอันไหนทีเฮ็ดว่ามันสิี่เห็ดอยู่นั่นแหะมันเท่าหัวใจหรอกนั่นคิดยใหญ่คิดเรื่องบาสแต่ไม่ฟ้องว่า ไอ้คิดเสร็มันเป็นบุญเป็นผู้สมหันแมนบอสคิดบริษคิดเลยเหมือนกันแท้งดีบ่บุญบ่บาปแห่งดีอันนั้นไอ้ไส้ย่ามต่อมเจ้าอนทุกจริงทุกอย่างทิ่มาปรากฏแกตาแกงหูงข้งเนียไ้ามมอหม้อให้เป็ิ้ีนได้ลายดียาดีคิดใจห้เยอะพอง อย่าสีมองคนได้แง่ลายอย่ามองสิ่งต่างๆได้แง่ลายใต่จมามเห็นสิ่งต่างๆแก่ตอมใจไหวในใจมันนิสจุนีละสงบู่นี่ะจังสิมันจังสิเป็นแต่อยู่เนี้ยขั้นๆเราบ่เป็นแต่อยู่แล้วเขาครอบมือกับของเน้ยหันนี่ใจวุ่นคิดแต้หันคิดไปนี่ยู่ยเรื่อยเนีมนั่งยืซื้อนั่งนิสๆแล้วกับใจกับโบมิ ใจกระดิะ่องขอฮ่นนี่นมีบวมหีตับายจักเถื่อเลยเลาเกิดมาแ่แล้วสิสายคือบวมเรื่อลต้มเลอยบวมตั้มบายเด้วางมันดีตั้บายมันไน่เป็นที่ละฮัดต้อมฮัดต้อมใจต้อมไปซ้อมมามันอยู่หลัใจเนะี่ยแต่ว่ามันบวอยู่ห้าบอซ้อมมันอยู่ทีล่ละจะหาต้อมใจผู้อืน่น คุณนั่นใส่เสือพีนั่นคุณนี่ใส่เสือพีนี่คุณนั่นเบาจังสั่นคุณนี้เบาจังสี่จีน่าคล้อไปเรื่อยบันทัดต้มตัของตอมดูดูเบาจากัดท่อคล้องตัของเนี่ยคล้อมแล้วต้มอีกคล้อมแล้วต้มอีกคล้องอยู่ล้นๆนั่นแหละวิธีหายใจมันไม่ได้ดีนะ แต่ข น, ลล น, แ น, น, น, นแนัวก็ทิไหลมากด้ไหลล้วะล้วะวะลวมาเนี่ยพีจังน้าท่วมอยู่ด้น่แม่ซัวมันหลมันติดผ้า้องไหลล่นเมอนแันถึงแน่ติดผ้าเกินถึงสูงขึ้นเนี่ยโอ้คยคัอยนี่เลยพิ่จังหน้าด้มันนั่งยืนสิละได้ด้ว ไ, ได้นั่งยสิมนิดนี่แหละบ่อใดหนังนี่แหละมันไดญ่วั้วสงบใ่กาลังใจแล้วี่ได้ขัวโฮมขั้วเย็นหาใช้กับบไดรอ ก yeah, uh, eh ้มหงกมเย็นเนว่าหาอยู่ในใจเจ้าของเนี่ยนะอาวาริวาฮาปราปาริปุเรนสินตะรังเอวะเนวะอิโตตินังเซตานัอุปตปิอิสิตังปัิตังตุมังคุตเมวะอุนุจตุตัพเฮปุเรนตสังต จันโดบันราโสยะธามณิโสธิราโสยะธาสะพระโขวินัสสะโตนาเตปาวัตวันตารโยสุขีดีหาโยโภมะวะอภิวะดนาสิเลตตานิจังมุตตะปัจจายโม จัตตารธรมมวัดดันติอายุวันโนสุขัมาลังพวัตุสพบธรรมขลามาเทวดาตากบาบุตรคาุคาเนะสดาสดุจีภวันสุเต อวาสุขะมังุขลงรับขันตูตะพะเทวดาสัดบาธรรมานุภาเวนะสดาโสทิพวรรณสุเตอวสุขะมังคขลงรับขันตูตะพะเทวดาตับาธานุภาเว ตาดสติาวันตุต